เป็นอะไรเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและก็เป็นวิญญาณแต่ปุติชนก็กล่าวตูรื่อยว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เป็นอัตตาของเราแล้วมันเป็นนอนว่าด้วยกับเราไหมไม่เขาบอกคุณว่าเราเป็นคุณรูปนะรูปจะบอกว่าแกว่าเราเป็นเราก็ช่างเถอะนะแกว่าฉันเป็นเธอก็ช่างเถอะแต่ฉันก็ไม่ใช่เธอใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ แล้วสูตรเข้ า, าไปรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกต่อไปเนี่ยนะณตมหาตุ ก, กะสูตรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้าตัดเยื่อใหญ่ในขันห้าซะเหมือนกันคือมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะยังไงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ก็มันก็มันก็มีสองด้านแหละเราจะเลือกเชื่อเราหรือเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเลือกเชื่อเราง่ายมากสวย เทียงยั่งยืนสบายอย่างเดียวช่างเถอะมันจะป่วยบ้างเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะีทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าสดใสไปเรื่อยใช่ไหมสังขารก็เที่ยงสังขารก็สกุยดูแลได้ควบคุมได้มีอำนาจได้นะเจริญแบบนี้บ่อยๆนั่นแหละถ้าแท้ของเราตามเป็นจริงคิดอย่างนี้แล้วว่าตะมันจเจริญไงว่าตะเลยยั่งยืนแต่ละตะก็เลยยาวแต่ถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าแล้วจริงๆอ่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไร อันนั้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ยั่งยืนจริงๆเลยแล้วก็ถึงทําให้เที่ยงไม่ใครทําให้มันเที่ยงเลยมั้งไหนๆก็จะทําให้มันเที่ยงแล้วทําได้ไหมล่ะในสิ่งที่ไม่เที่ยงมันสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ก็เป็นทุกข์แล้วไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วบอกว่ามันเป็นใครและมันเป็นของใครมันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงมันก็ของที่เป็นทุกข์มันก็เลยไม่ใช่ของใครและเป็นของใครแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันก็มันก็ประกาศตัวมันเองอยู่อย่างนี้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อไรอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนะแต่ว่าปุถุชนมันก็พยายามจะหลอกตัวเองนะยอมใจตัวเองอะยอมด้วยตันหาบ้างยอมด้วยมานะบ้างยอมด้วยทิทิบ้างมันน่าจะเที่ยงนะมานะมันเข้ามาบอกมันน่าจะเที่ยงนะตันหาก็บอกว่าน่าจะสุขนะทิทีบบอกว่าน่าจะเป็นอัตนะพยายามย้อมใจตัวเองอยู่ตลอดเลยนะยอมด้วยตันหามานะเละ ิิอันนี้เป็นภาวะของปุตุชนผู้ไม่ได้สดับทั่วไปคือเป็นเรื่องปกติทีนี้ผู้ที่เป็นอริยสาวกเป็นยังไงก็เริ่มเห็นตามที่เป็นจริงนะตามที่มันเป็นคือปุตตชนทั้งหลายยินดีที่จะเจริญมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะเห็นขันห้าด้วยอำนาจมิจฉามักแต่พระริยะเจ้าทั้งหลายเห็นขันห้าตามสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะเห็นตามสัมมามัก อันนะสัมมาแลว่าถูกต้องเห็นแต่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทั่วไปเบื้องต้นก็จะยกอันใดอันหนึ่งเป็นตัวอย่างเสียก่อนเช่นรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่รูปที่มีอยู่ปัจจุบันเท่านั้นนะอตีตานาคตะปัจจุบันนงังอชตังวาพระหิทธาวาโอลาริกังวาสุกุมังวาเป็นต้นนนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นต้นด้วยอดีต อดีตที่ผ่านมามีอะไรเที่ยังมั่งและอนาคตที่จะมีต่อไปละ่ะปัจจุบันนี้มีอะไรที่คิดว่ามันพอจะแน่นอนได้ไหมภายในฉันใดภายนอกก็ฉันนั้นชนิดหยาบอย่างไรชนิดละเอียดก็ฉันนั้นเลวอย่างไงประณีตก็อย่างนั้นแหละอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามมันก็เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็ชราและมรณะใช่ไหมถ้านี้ไปอยู่ที่อื่นเนี่พ้นไหมเอาก็ ก็ตัวชารามรณะมันเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนมันก็คือชารามรณะวันยังค่าเพราะฉะนั้นสังขาร ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่แต่ปกตินิสัยของปุตุชนทั้งหลายอดีตก็เป็นเราเพราะฉะนั้นนั่งอุยพร่ำรำพันถึงความหลังเนี่ยยาวมากเลยนะสมัยนั้นนะเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเนี่ยเขามาขี้เกียจคุยกับคนสูงอายุอันหนึ่งก็เพราะอะไรรู้ป่ะพูดถึงแต่ความหลังที่เคยดีอ่ะนะ จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์สถานที่ด้วยเล่าแล้วเพูดจบแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสักอย่างนะสรุปแล้วพูดจบศีลก็ไม่ได้สมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้ได้อะไรก็ได้เสียเวลาไงอย่างนั้นก็ได้แค่นั้นนะบางทีก็ได้อะไรก็ได้ฟังเออเสียงครวญของคนที่มีชาราและมรณะพูดอย่างนี้ไม่ได้เราเรียนนะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความอย่างนั้นจริงๆงนะนะตอนหลังก็เลยเออปิดกุฏิมาคุยกับใครดีกว่านะนะ พูดอ๊ยพูดอยู่ตั้งนานนะศีล ส, สักคำก็ไม่มีเลยนะสมถาสักพูดก็ไม่มีพูดตั้งนานเนะเอาแต่คำของตัวเองทั้งหมดแต่ก็บอกเขานับถือพระพุทธเจ้าแต่คิดถึงแต่คำของตัวเอง แล้วก็เลยชักไม่แน่ใจว่าสวากขาโตเพราะว่าตาธรรมโมหรือเอาตัวเองเป็นสารณะกันแน่เอออดีตนะแม่มันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างเลยนะเออถ้าอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยใช่ไหม อ, มอนาคตต่อไปมันก็อย่างงี้แหลนะเนาะมันก็คงมีแต่ชราและมรณะพระพุทธเจ้าพูดยังไงก็เป็นจริงเป็นแท้เนี่ยนะเออถ้าอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยใช่ไหมเมื่อไรเนาะจะถึงวนะันนั้นเรื่องเนาะต้องถึงสักวันนะนเรื่องเนาะนั่นแหะที ถ้คนเรียนธรรมะก็ไม่ค่อยมาคุยด้วยเขาก็เงียบเหมือนกันเขาก็เบื่อคุยเหมือนกันนะนะวันขันท่าเนี่ยนะสะสรุปว่าอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันภายในหรือภายนอกอยาบละเอียดสามหรือประเีตยไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาที่จริงอะนะเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่เจริญยากเย็นอะไรเลยแค่คิดตามคําสอนแค่นั้นเองพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็พยายามจะเห็นตามเถอะเดี๋ยวมันก็เห็นจริ ง, รงๆกันแหละถ้าพยายามจะเห็นตามนั่นจะเห็น แต่บอกไม่เห็นพูดยังไงก็ไม่เห็นหรือว่าไม่คิดจะเห็นหรือไม่ยอมเห็นกันแน่ปราณนั้นมันก็มีหนึ่งไม่ยอมเห็นด้วยไม่คิดจะเห็นด้วยไม่อยากเห็นด้วยนะนะจริงไหมจริงอยากเห็นไหมเอาไว้ก่อนนั้นแต่ขอคิดแบบเราคิดต่อไปดีกว่าเป็นต้นก็เลยเป็นอย่างงี้ก็เลยไม่ยอมเบื่อหนายนะนะก็เลยเพลิดเพลินเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเพลิดเมื่อความเพลิดเพลินเกิดอะไรเกิด เมื่อนันที่เกิดความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดนปุนนะเดี๋ยวสูตรข้างหน้าต่อไปจะมีถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดณปุนนะแปลว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดตัณหาก็คือความเพลิดเพลินเมื่อเพลิดเพลินเนี่ยนะเมื่อตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพลินกับสิ่งใดก็ยึดสิ่งนั้นเมื่อเพลินสิ่งใดก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็พร่างพูกรรมทั้งหลายก็นําไปสู่ชาติชรามรณาโศกนำไปสู่วัตตะอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ตรงกันข้ามผู้ที่ เห็นตามความเป็นจริงเน่ยนะเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใส่ใจสังขารเหล่าใดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาก็ไม่เบื่อไม่เพลิดเพลินตรงข้ามกับเพลิดเพลินก็คือเบื่อหน่แต่ปัญหาว่าบางคนเนี่ยเอ๊ะถ้าเราเบื่อหน่าแล้วชีวิตมันจะมีความสุขตรงไหนเอ๊ะมันดียังไงมันมีสาระตรงไหนถ้าเบื่อหมดเลยอย่างเงี้ยมันดียังไงบอกว่าความเห็นตัวนั้นแหะคือสาระเขาอยู่กับความเห็น เพราะความเห็นตัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเขาเรียกว่าวิปั ส, สโกวิปัสสกะผู้เห็นแจ้งเห็นแจ้งด้วยนิพพานุปัสนาเนี่ยนะเขาถือว่าความเห็นเป็นสาระไม่จำเป็นจะต้องไปหลอกตัวเองว่ารูปเป็นสุขเนี่ยนะรูปหน้าเพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหน้าเพลิดเพลินเพราะเขาได้ความสงบจากความเบื่อหน่ายบางคนที่เข้าใจไม่ถูกคิดว่าไอ้ความเบื่อหน่ายนี่เครียดไหม มันเป็นความสุขยิ่งกว่าความสุขในในในวัตถุกรรมเปรียบชนิดกันไม่ติดเลยเนี่ยนะท่านก็บอกว่าแทบจะเรียกว่านิพพานด้วยซ้าไปเขาเลยก็เรียกว่าอะไรนะปราโมทเนี่ยบางคนเรียกว่าปราโมทหรือว่าปีติระดับสูงเนี่แทบจะเข้าใจว่าเป็นมรรคผลคนที่เห็นแจ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณด้วยความเบื่อหน่ายแต่ใจเขาไม่มีโทสะแต่ปัญญาเขาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญ ญ, ญาณ น, น่าเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลาย กำหนัดเนี่ยนะก็เรียกว่าบอกคืนบอกคืนรูปบอกคืนเวทนาบอกคืสนสัญญาบอกคื Na, สนสังขารแล้วก็บอกคืนวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าปฏินิสักะเนี่ยนะปฏินสักะก็บอกคืนนะบอกเลิกแล้วว่ารูปรูปก็จงเป็นของรูปต่อไปเธอเนี่ยนะใจไม่เอาแล้วเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ก็จงเป็นเ็ต้อบอกคืนเหมือนกันบอกคืนไม่เอาละไม่เอาเนี่ยไม่ใช่บอกเอามือปฏิเสธเนี่ยเขาก็มีอะไรนะ ปากว่าตาขยึงนะบอกโอ้ยปากเนะี่ยเอาล้อย่างเงี้ยนะแต่ใจเนะี่ยเอาไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเป็นอันเดียวกันว่าเ อ, อรูปมันก็เป็นอย่างนี้แหละเวทนาก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ก็ถามว่าในระดับสูงก็ทํำยังไงก็ก็เห็นเลยว่ารูปเป็นเหยื่อของมารคิดว่าเป็นมารามิสโตเนี่ยนะเป็นเหยื่อของมารเป็นวิสัยมารทักความดับรูปล่ะเนีย่ยนะไม่ใช่วิสัยมาร ถามว่าความน่ากลัวนี่มาจากไหนมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะมีอะไรน่ากลัวไหมก็ไม่มีอะไรเป็นของที่น่ากลัวก็จะวิจัยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเครียกว่าจนกว่าจะหลีกออกสําเร็จนะเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตรัสรู้พระนิพพานมันยังไงมันก็หลีกออกไม่สําเร็จจะเมื่ อ, อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงสลัดออกจากรูปได้ตาม เป็นจริงเ น, นะเมื่อเห็นรูปเป็นภัยก็หลีกออกจากรูปไปหาธรรมดับรูปที่ปลอดภยัยอันนั้นหลีกออกจากเวทนาที่เป็นภยัยน้อมไปหาความดับเวทนาที่ปลอดภยัยเมื่อเห็นว่าสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมีภัยก็ยน้อมไปหาความดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ปลอดภัยเนี่ยนะเมื่อหลีกออกสําเร็จเนี่ยนะมันก็พระนิพานจึงเป็นธรรมที่หลีกออกก็เลยเรียวกว่าวิวัตตะเนี่ยนะนิพานจึงเป็นวิวัตตะเพราะเป็นที่หลีกออกจาก รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพพานเนี่ยไม่ไม่ใช่อากาศแต่เปรียบเหมือนอากาศนิพพานนี่เป็นอสังขตะเช่นกับอากาศนะอากาศธรรมชาติของอากาศช่องว่างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสันใดพระนิพพานก็ฉะนั้นเหมือนกันทีนี้ไอการที่จะหลีขาไอธรรมที่สงบนั้นนั้นหาได้จากที่ไหนก็หาจากรูปรูปนี่เป็นทุกข์ใช่ไหม ความดับรูปเป็นสุขไอ้ความดับรูปคืออะไรเวทนานี่เป็นทุกความดับเวทนานั้นเป็นสุขสัญญาเป็นทุกความดับสัญญานั้นเป็นสุขสังขารเป็นทุกความดับสังขารเป็นสุขวิญญาณเป็นทุกความดับวิญญาณเป็นสุขรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละคือทุกขสัจจะความดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นนิโรสัจจะแล้วทุกเกิดเพราะอะไร ความดับทุกนั้นปฏิบัติอย่างไรจริงจะเข้าถึงความดับทุกและค่อยว่ากันไปเนี่ยนะก็เจริญวิจัยใครครวญไม่จบง่ายๆหรอกนะะอรหัตผลเนี่ยไม่ใช่จบกันง่ายๆใชตั้งความปรารถนากันมาเท่าไหร่ภาษาริบุตรท่านคี้ของท่านมาตั้งหนึ่งอสงไขยแสนกับเป็นต้นเนี่ยนะทุกคนก็เขาคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นว่าเมื่อไหรจะจบเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาทำบุญมั้นโบราณเขาจะพาแนะนำนะเขาแนะนำว่าไงทำบุญให้ทานเขาพาปรารถนาไง สุทินางวัตเมทานางนะถ้าเป็นต่างจังหวัดนะเขาจะพาว่าบไปสุทินางวัตเมทานางทา น, ทานที่เราได้ให้เนี่ยให้ดีแล้วหนอสุทินางวัตเมทานางทา น, ทานที่ได้ให้ให้ดีแล้วหนออาสวัคยวหังนี่พานางโฮตุขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวัไขด้วยเถอดแปลว่าสิ้นอาสวะก็แปลว่าบุญอันเนี้ยจงเป็นปัจจัยให้ได้อรหัตตะพน อาสะวะัคไคเนี่ยนะอาสะวัคยาเนี่ยนะเป็นชื่อของอรหัตผลขอกุศลจิตที่เกิดจากการให้อั น, นี้เนี่ยจงเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้อรหัตผลนะโดยเรียกว่ากุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะเนี่ยนะเรียกว่ากุศลคือฐานกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะคืออรหัตผลตั้งเรียกว่าจะทำบุญแล้วตั้งอุปนิสัย สุทินางวัตะเมทานังเนีนะสัพพทุกขาประมูลจันตุเขบอกว่าด้วยผลแห่งการให้ทานเนี่ยให้มันพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณให้พ้นจากวัตถุทุกทั้งสิ้นเลยนะสุทินางวัตะเมทานังอาสวัคยาวหังนิพานังโหตุบุญกุศลเนี่ยจงเป็นอุปนิสัยเป็นแรงส่งที่มีกําลังให้ตรัสรู้พระนิพพานด้วยเถิด ก็มีทางเดียวก็ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปเรื่อยๆกำหนดทิศทางสร้างอัธยาศัยสร้างอุปนิสยัยสร้างทั้งอัธยาศัยและอุปนิสยัยแล้วก็เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะกว่าจะทําที่สุดแห่งทุก์ได้บางคั้งเรียกว่าเป็นธรรมที่ได้โดยยากอย่างยิ่งเป็นธรรมที่พ้นทุกเป็นธรรมที่ดับทุกเป็นธรรมที่สงบทุกเนี่ยนะพระนิพพานนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว